50 languages. 55. b a n การทำงานงานคุณทอาชีพอะไรคะุณทาีอคาชีพอะไรคะคุณทำีพะสามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ मेरे ื่ด็ตดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมงแมอ d d เดินดีอีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญ ज รนี้จะเงินบ่นแลวแต่ภาษีสูงมากปริ र าบดจ้าด้าเ และค่าประกันสุขภาพก็สูง अते बीमा बहुत ज ् य ा द ส है าหนูอยากเป็นอะไรในอนาคต त ้องคี न ा่า ह หน้าจั่งด้าเหรอต้บหนูอยากเป็นวิศวกร मैं इ อ ज ी न ि य र ब ร์อ่า ह ं द ้าจั่งं้าฮะแม่เอ न จิเนียร์หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย แม่วิศววิทยาเลว ے ے ิชเชอร์ ढ น้าชวันดาฮ์แม่วิศววิทยาเลว ے ے ิชเช ढ น้าชวันดฮดิฉันเป็นพนัก ง, งานฝึกหัดแม่เอกศิษยा र ยาร์ตีฮดิฉันมีรายได้ไม่มากแม่จ๊อยด้าเนย์กมันดาฮ์แม ا ا จาา่จ๊อยด้าเนย์กมฮ์ดิฉันฝึก ง, งานอยู่ต่างประเทศ แม่ภาษาอล้วอี่นี่แม่ภาษาอยแล้วอยู่ทนี่คือหัวหน้าของดิฉันโอ้ของฉันดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีของฉันเราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอดูเนซีมนาเลจัน ดิฉันกำลังมองหางานแม่นอกรีลัรียนฮะแม่ดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้วแม่ปิจิลเล่ซาย์ตัวเบรุการฮะที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมากอเดชเวช์บู๊ดจ้าด้าเบรุสการ์โล ก, กรุณาไปที่